ธรรมกถาครั้งที่สิบเอ็ดตอนสรุปปฏิบัติโดยลำดับการแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติทางจิตใจมุ่งให้ฟังน้อมเข้ามากำหนดดูที่ตนเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก็แสดงที่ตน เมื่อกำหนดให้เห็นความจริงที่ตนก็จะเห็นธรรมะวิธีปฏิบัตินั้นได้กล่าวแล้วว่ามุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นอย่างหนึ่งให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอีกอย่างหนึ่งการทำจิตให้สงบตั้งมั่นได้แสดงวิธีมาโดยลำดับ ส่วนการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่ได้แสดงว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรบทธรรมะที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นบทเริ่มปฏิบัติทางวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงบทวิปัสสนาจะได้กล่าวสรุปเป็นเบื้องต้นก่อน การน้อมจิตเข้ามากําหนดดูที่ตนมุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นนั้นคือมุ่งกําหนดดูลมหายใจเข้าออกกําหนดดูที่จิตดังกล่าวนั้นในการปฏิบัติก็ให้ทำสัมปชัญญะความรู้ตัวในอิริยาบถ ท, ที่นั่งอยู่เป็นต้นและตรวจดูอาการสาสบเอ็ด หรือสามสิบสองสรุปลงเป็นธาตุเมื่อธาตุคุมอยู่ก็ยังมีชีวิตเมื่อธาตุแตกแยกก็สิ้นชีวิตกายอันนี้ก็กลายเป็นศพซึ่งเปื่อยเน่าไปโดยลำดับจนเหลือแต่อัติคือกระดูกในที่สุดกระดูกนั้น ก็ผูปลนไปหมดแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่กายอันนี้ก็ยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเรียกว่าเวทนาเวทนาก็มีเครื่องล่อข้างนอกบ้างหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติบ้บางก็ให้กำหนดรู้ ไม่ใช่เพียงเวทนาเท่านั้นยังแล่นไปถึงจิตคือเมื่อเป็นสุขเวทนาก็ทำให้จิตประกอบด้วยความยินดีเมื่อเป็นทุกขเวทนาก็ทำให้จิตประกอบด้วยความยินร้ายเมื่อเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ทำให้จิตประกอบด้วยความหลงติดอยู่เวทนาจึงแล่นถึงจิต ก็ต้องกำหนดดูจิตอันตรายของการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิไม่ได้นั้นก็คือนิวรณสมาธิจะไม่เกิดหรือสมาธิเกิดบ้างแต่ไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะนิวรคือความชอบที่เรียกว่ากามฉันความชังที่เรียกว่าพยาบาท ความง่วงงุนเคลิบเคลิมที่เรียกว่าถีนะมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่เรียกว่าอุทธจักุกุ จ, จักความลังเลสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉามมลของนิวรนก็คือกังวลต่างๆข้างนอกที่ยังสลัดออกไปไม่ได้หรือเวทนานั่นเอง เมื่อเป็นสุขเวทนาก็เกิดจากเครื่องล่อข้างนอกก็แล่นไปถึงจิตทำให้เกิดความชอบขึ้นจิตก็สายออกไปในอารมณ์ที่ชอบข้างนอกก็เสียสมาธิเมื่อเกิดทุกขเวทนาก็แล่นไปถึงจิตจิตก็เกิดความชังจิตก็สายไปกับความชังก็เสียสมาธิ เมื่อเกิดเวทนาที่เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขก็แล่นไปถึงจิตจิตก็เกิดความง่วงขึ้นบ้างเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นบ้างเกิดความลังเลขึ้นบ้างก็ทําให้เสียสมาธิเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยกําหนดดูนิวรณ์เมื่อเกิดนิวรณ์อันไหนขึ้นก็ต้องกําหนดให้รู้ฉะนั้น ในการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นจึงต้องคอยตรวจคอยป้องกันคอยต่อสู้กับอุปสรรคของสมาธิต่างๆอยู่เสมอจิตก็ยังเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้แต่ว่าการตรวจดูดังกล่าวนี้ก็เหมือนเป็นการที่ตรวจดูเคหสถานบ้านเรือนของตนให้ทั่วถึงยังดีกว่าการปล่อยใจ ให้เที่ยวออกไปข้างนอกเพราะเป็นการที่ดูในตนเองและในขั้นปฏิบัตินี้ก็จะต้องใช้ความคิดแสงคือความกำหนดอยู่ในอาณาปานสตินั้นอย่างหนึ่งตรวจในเวทนาในจิตและในนิวรณที่ปรากฏขึ้นอีกส่วนหนึ่งความคิดความกำหนดจึงมีสองอย่าง ตรวจดูจิตใจโดยกระแสปกติก็มักจะเป็นดังนั้นเมื่อมุ่งกำหนดให้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะเกิดความคิดแสงไปที่โน้นที่นี่ในการปฏิบัตินั้นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความคิดแสงนี้เหมือนกันแต่ให้เป็นความคิดแสงอยู่ภายในเช่น การนับหรือกำหนดพุดโทโธไปกับลมเหมือนอย่างเป็นการตรวจเพื่อระวังระววยไม่ให้อันตรายของสมาธิที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นเมื่อได้กำหนดอยู่จนอันตรายของสมาธิไม่เกิดขึ้นการกำหนดในอานาปานาสติก็จะแน่วแน่ขึ้นตอนวิธีปฏิบัติ ให้ถึงอัปปนาสมาธิในชั้นนี้วิธีปฏิบัติต้องอาศัยวิตกความตรึกต้องอาศัยวิจารความตรองแต่ไม่ใช่หมายความว่าตรึกตรองอย่างที่พูดหมายถึงกันวิตกความตรึกหมายถึงการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิเช่น เมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยกจิตให้มากำหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้การยกจิตมากำหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธินี้เรียกว่าวิตกเปรียบเหมือนอย่างการที่ตีระฆังขึ้นทีแรก วิจาร์ความตรองนั้นคือการพยุงจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธิไม่ให้หลุดไปจากอารมณ์ของสมาธินั้นเหมือนอย่างเสียงครางของระฆังเนื่องไปจากการตีระฆังทีแรกในชั้นปฏิบัติจิตมักจะหลุดออกไปจากอารมณ์ของสมาธิบ่อยๆก็ต้องมีสติ นำเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิและคอยพยุงให้แน่วแน่ไปในอารมณ์ของสมาธิฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิตกอาศัยวิจาร์ดังกล่าวนี้เรื่อยไปจนกว่าจะแน่วแน่ขึ้นก็จะเกิดปีติคือความอิ่มใจอิ่มกายปรากฏเป็นความทราบซ่านกายทราบซ่านใจ แต่ก็ไม่ให้ฟุ้งไปกับปีติต้องคอยกำหนดให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็จะเกิดความสุขคือความสบายกายสบายใจซึ่งละเอียดกว่าปีติเมื่อเกิดสุขคือความสบายกายสบายใจขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวอันเรียกว่าเอกคตา ปราศจากอารมณ์แทรกแซงซึ่งเกิดจากวิเวกคือความสงบสงัดเมื่อจิตดำเนินถึงขั้นนี้สมาธิจึงจะเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิชั้นแรกคือสมาธิที่แน่วแน่ถ้าสมาธิยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นสมาธิที่เฉื่อเฉียด ฉะนั้นในอัปปนาสมาธิชั้นแรกนี้จึงต้องมีวิตกการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์การที่พยุงจิตให้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิปีติความอิ่มเอิบกายอิ่มเอิบใจสุขความสบายกายสบายใจเอเกคตาความมีอารมณ์เป็นอันเดียวแน่วแน่ เป็นนั้นว่าได้ประสบผลของสมาธิคือความสุขในการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อยังไม่ได้ปีติไม่ได้สุขจิตก็จะเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่ได้และยังไม่ได้รับรสของสมาธิในเมื่อได้ปีติได้สุขจึงจะทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ได้และเรียกว่าได้รับรสของสมาธิ เมื่อได้รับรถของสมาธิบ้างแล้วจึงจะเห็นประโยชน์ของสมาธิถ้ายัางไม่ได้รับรถของสมาธิก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของสมาธินึกดูถึงในทางโลกเช่นการดูหนังดูละครหรือการทำอะไรก็ต้องมีปีติมีสุขอยู่ในสิ่งนั้นจึงจะสามารถดูอยู่ได้หรือทำอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีปีติไม่มีสุขอยู่ในสิ่งนั้นก็ดูอยู่ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันถ้าไม่มีผลคือไม่ได้รับปีติไม่ได้รับสุขก็ปฏิบัติไม่ได้เมื่อได้ปีติได้สุขจึงจะทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ปฏิบัติสืบไปได้แต่ว่า ปีติสุขในการปฏิบัติสมาธินี้จะสงบละเอียดประณีตกว่าปีติสุขในทั้งอื่นทำให้จิตมีความสุขมีความเย็นยิ่งกว่าแต่ก่อนที่จะได้ปีติได้สุขก็ต้องพยายามใช้วิตกวิจารณ์คือคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ คอยพยุงจิตให้ดำเนินไปในทางของสมาธิโดยไม่หยุดด้วยการพยายามทำติดต่อกันไปเสมอเช่นเมื่อกำหนดว่าจะทำในเวลาที่ก่อนนอนสักครู่หนึ่งหรือในเวลาเช้าเมื่อตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆสักครู่หนึ่งก็พยายามทำให้ติดต่อกันไปทุกวันแล้วจะรู้สึกว่าบังคับจิตได้ง่ายเข้า และเมื่อจิตเข้าที่สมควรแล้วก็จะได้ผลคือได้ปีติและได้สุขและเมื่อได้ปีติและได้สุขก็จะได้สมาธิขั้นแรกอันเรียกว่าเอกคตาคือความที่จิตแน่วแน่เป็นอันเดียวคราวนี้เมื่อจิตแน่วแน่เป็นอันเดียวยิ่งขึ้นแล้ววิตกวิจาร ก็ไม่ต้องใช้คือไม่ต้องคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิไม่ต้องคอยพยุงจิตให้ดำเนินไปในอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าจิตได้อยู่ตัวพอสมควรแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้วิตกวิจารก็ผลหน้าที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขและเอกะขะตา คือความที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอันเดียวแต่ว่าเมื่อยังมีปีติคือความอิ่มเอิบซาบซ่านกายใจอยู่จิตก็ยังสู้ซาอยู่เมื่อจิตละเอียดยิ่งขึ้นปีติก็พ้นหน้าที่ไปมีแต่ความรู้สึกเป็นสุขและความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว เมื่อจิตละเอียดขึ้นไปอีกความรู้สึกเป็นสุขนั้นก็ผลหน้าที่ไปคงมีแต่ความที่จิตตั้งมั่นแนว่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวและมีความรู้สึกเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าอุเบกขาจิตก็ตั้งมั่นแนว่วแน่อย่างเต็มที่ในขั้นนี้ชื่อว่าเป็นสมาธิชั้นสูง แต่ไม่จำเป็นจะต้องถึงสมาธิชั้นนี้ก็ได้เพียงแต่ปฏิบัติจนถึงมีแต่ชั้นวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาก็ยังชื่อว่าได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้พอสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้จะยับยั้งอยู่กับสมาธิจิตนั้นตลอดเวลาที่ต้องการก็ได้ความสงบ ได้ความสุขอยู่ตลอดเวลานั้นแต่ว่าครั้นออกจากสมาธิแล้วก็จะต้องประสบกับอารมณ์ต่างๆก็จะต้องวุ่นวายไปกับอารมณ์นั้นๆต่อไปอีกต่อเมื่อมาพักจิตไว้ในสมาธิจึงจะเกิดความสงบหน้าที่ของสมาธิก็มีเพียงทำจิต ให้ตั้งมั่นเป็นที่พักให้จิตอยู่เป็นสุขในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นหน้าที่ของสมาธิก็เพียงเท่านี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนามุ่งให้อบรมวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงสืบไปตอนเริ่มวิปัสสนา การจะอบรมวิปัสนาก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิก่อนถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิจะอบรมให้เกิดปัญญาก็เป็นการยากเพราะฉะนั้นจึงสมควรอบรมจิตให้เป็นสมาธิก่อนด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดังที่ได้อธิบายมาโดยลำดับนั้น และเมื่อได้สมาธิจิตพอสมควรแล้วก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นมาพิจารณาดูตนเองคือดูที่ตัวเรามาดูว่าตัวเรานี้ที่นั่งอยู่นี้ที่มีชื่อนั้นมีชื่อนี้อันเป็นสมมติบัญญัติแต่ละคนค้นหาดูว่าที่ชื่อเรานั้นอยู่ที่ไหน เพราะที่เข้าใจว่าเรานั้นเป็นความเข้าใจรวมๆรวมกันอยู่เป็นกองเป็นกลุ่มเบื้องบนแต่พื้นท้าวขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในเขตนี้แหละที่เข้าใจว่าเป็นเราค้นหาลงไปว่าเราอยู่ที่ไหน ตอนเริ่มข้อว่าด้วยขันในชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แยกลงไปเป็นกองรูปคือรูปกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยธาตุ ด, ดินน้ำไฟลมประกอบด้วยประสาท ต, ต่างๆสำหรับที่จะให้เกิดความรู้สึกต่างๆนี่เอาไว้เสียกองหนึ่ง เรียกว่ากลองรูปคราวนี้ตรวจดูกองเวทนาคือความที่รู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางๆย่า ง, งเช่นความรู้สึกสบายกายสบายใจความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความรู้สึกเป็นกลางกลาง นี่ยกเอาไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองเวทนาตรวจดูกองสัญญาคือความจำจำโน่นจำนี่จำชื่อจำเสียงของตนได้จำสิ่งนั้นจำสิ่งนี้ได้เอาไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองสัญญาตรวจดูกองความคิดคือความคิด นึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้นีนเนน่เป็นก้องสังขารยกเอาไว้เสียกองหนึ่งตรวจ ด, ดูกองวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกอยู่ทางประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายตลอดจนถึงมรณนะคือใจ ที่รู้เรื่องต่างๆอยู่นี่ยกไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองวิญญาณกองรูปนี้ส่วนหนึ่งกองเวทนานี้ส่วนหนึ่งกองสังขารคือความคิดนี้ส่วนหนึ่งกองความรู้สึกนี้ส่วนหนึ่งหรือจะเรียกว่ายกเอารูปไว้กองหนึ่งเวทนาไว้กองหนึ่ง สัญญาไว้กองหนึ่งสังขารคือความคิดไว้กองหนึ่งวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆไว้กองหนึ่งที่เรียกว่าเราหรือตัวเรานี้ก็ประกอบด้วยกองต่างๆเหล่านี้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอันเดียวแต่ว่าเมื่อแยกออกก็แยกออกได้เป็นส่วนๆนี้ เป็นการเริ่มต้นวิปัสนาซึ่งจะต้องกำหนดดูให้รู้จักลักษณะหน้าตาของกล่องรูปว่าเป็นอย่างไรกองเวทนาเป็นอย่างไรกองสัญญาว่าเป็นอย่างไรกองสังขารว่าเป็นอย่างไรกองวิญญาณว่าเป็นอย่างไรให้เห็นหน้าเห็นตาเห็นลักษณะให้แจ่มชัดก่อน เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยสี่